นึกถึงพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตของพระองค์อะสงบเลยนะสงบเพราะอะไรพระองค์ปล่อยปล่อยวางและก็ทิ้งไม่เอาอะไรอยู่ไปเพราะรู้แล้วว่าสุดท้ายก็ต้องตายแน่ๆต้องตายจากโลกนี้ไปแน่เมื่อตายไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง มันก็อยู่ของมันบนโลกใบนี้แต่ชีวิตของเราต้องละหกละเหินต่อไปถ้ายังมีกิเลสตัณหาอุปาทานเพราะว่ามันเป็นความหลงเป็นอวิชชามันมีตัวนี้อยู่มันก็มีเราอยู่เราก็ทำกรรมไปทำกรรมไปเสร็จแล้วเราก็ยึดเหนี่ยวเกาะเกี่ยวเอากรรมเอาสิ่งที่เกิดขึ้น เอามาฝังไว้ในใจเราเพราะเราไม่ปล่อยพระพุทธเจ้าท่านปล่อยแล้วก็สาวกของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติตามพระองค์ไปก็รู้วิธีปล่อยเหมือนกันคือไม่ยึดมันดูมันเฉยๆตั้งสติเอาไว้มองทะลุไปเลยอดีตมันก็ผ่านมาหมดแล้วเราจะเอามาปุ่งมาแต่งมันก็ไม่ย้อนกลับมาเพราะว่ามันผ่านไปหมดแล้ว มันก็มีแต่จะมารบกวนจิตเราแล่รู้วันนาด้วยอนาคตที่มันจะเข้ามามันก็ต้องผ่านไปอีกมันไม่ได้อยู่หรอกมันยังไม่มาหรือว่ามันมามันก็ต้องไปคนที่อยู่บนโลกนี้สุดท้ายก็ต้องไปเห็นกันอยู่อย่างนี้แหละดเดี๋ยวก็ต้องไปเขายังไม่ไปแต่รู้แล้วว่าเขาจะไปเราก็จะไปเขาก็จะไปต่างคนต่างไป มาแล้วก็ไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราจะมาทุกอะไรก็ไอของที่มันผ่านมาผ่านไปแบบนี้มันไร้สาระแต่คุณค่าของชีวิตอยู่ตรงไหนคุณค่าของชีวิตอยู่ตรงไหนคุณค่าของชีวิตนี้อยู่ตรงที่จิตเราเราควบคุมจิตได้แล้วก็สอนจิตให้รู้ความจริงตรงนี้ว่ายึดอะไรไม่ได้เลย เพราะมันแค่ผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปมันจะดีพิเศษขนาดไหนเราเอาใจเราไปผูกไว้ไปยึดไว้ไปติดไปคล้องมันเดียวมันก็เปลี่ยนแปลงดีก็กลายเป็นไม่ดีได้แค่ยึด ม, มันก็ไม่ดีแล้ะเพราะมันยึดไม่ได้เพราะมันเป็นแค่ผ่านมาแล้วเพื่อที่จะผ่านไปแต่เรายึดเอาไว้เหมือนจะไม่อยากให้มันผ่านไป มันอยากอยากถ้าดีก็อยากให้ดีตลอดไปแต่ถ้าไม่ดีก็อยากให้ดับไปเลยสุดท้ายไอ้ตัวปัญหาจริงๆก็คือตัวจิตเราเองจิตของเราเองสร้างปัญหาให้แก่ตัวเองเพราะจิตไม่ยอมรับความจริงว่ามันต้องผ่านมาและต้องผ่านไปดีหรือไม่ดีก็ตามผ่านมาและต้องผ่านไปไม่ใช่ดีและจะควยคว้ า, ยวาอยากจะยึดไว้อยากจะให้อยู่ตลอดไป มันก็อยู่ไม่ได้เพราะมันผ่านมาแล้วต้องผ่านไปคนดีเข้ามาหาเรามันก็เปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวมันก็ไม่ดีได้เดี๋ยวก็จากเราไปคนไม่ดีก็มีโอกาสที่จะเจอจะเจอแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเกี่ยวข้องกับผู้คนเหล่านั้นยังไงคนที่รู้ความจริงก็จะเกี่ยวข้องโดยที่ตัวเองต้องไม่ทุก คนที่รู้ความจริงล่วงหน้าหมดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ทุกข์กับอะไรเพราะมันรู้แล้วเมื่อผ่านมาเมื่อไหร่ต้องผ่านไปเมื่อนั้นอีกร้อยปีอะไรผ่านมาก็ยังผ่านไปอยู่ดีไม่ใช่จะผ่านมาผ่านไปเฉพาะเดี่ยวนี้ปัจจุบันนี้อนาคตถ้ามันมาเมื่อไหร่มันก็ผ่านไปเมื่อนั้นมันยึดอะไรไม่ได้เลยหน้าที่ของเราคือรักษาใจเอาไว้ ไม่ต้องให้มันไปโพกอะไรให้มันไปเกาะ อ, อะไรพอมันยึดไม่ได้เกาะไม่ได้มันจะมาหนักที่จิตเรามันจะมาบีบขคันจิตเรามันจะผักใสให้จิตเราเนี่ยวุ่นวายว้าวุ่นขุนมัวสับสนวุ่นวายกังวลหวั่นไหวขึ้นในจิตของเราเองหยุดทีนี้หยุดเลยหยุดหยุด แล้วก็นิ่งไยเราตถาคตหยุดแล้วหยุดแล้วคือจิตเนี่ยมันเข้ามาหยุดอยู่ภายในเหมือนจิตที่มันไหลไปไหลไปพุ่งไ ป, ไปคิดไปนึกไปหยุดเอากลับเข้ามาหยุดอยู่ข้างในหยุดไหลหยุดวิ่งหยุดฟุ้งแต่ไม่ได้ไปบังคับแค่มีสติรู้รู้รู้ร รู้จิตรู้อยู่ที่จิตดูอยู่ที่จิตจิตมันก็หยุดมันก็นิ่งมันก็เฉยพอมันนิ่งมันเฉยแล้วทีนี้มันจะไปใหม่ก็รู้แล้วว่าไปจากจิตมันก็รู้ว่ามันเนี่ยมาไปแล้วมันไม่สบายไปหาเรื่องเข้ามาเล่นงานจิตตัวเองมันก็หยุดเขานี้หยุดแล้วก็ดูทีดูดูมันก็เห็นน่ะ เห็นว่ามันผ่านมาผ่านไปนี่แหละไม่ได้เห็นอะไรว่ามันวิเศษวิโสหลอกธรรมะเนี่ยแค่มันเกิดแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปผ่านมาผ่านไปชั่วคราวชั่วคราวเกิดแล้วก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็จากไปชีวิตเราก็ชั่วคราวเหมือนกันอีกไม่ถึงร้อยปีก็ต้องจากไปก็รู้แล้ววามันจะจากไปแล้วจะมาทุกข์กับอะไรอีกอะ จะมาวุ่นวายกับอะไรอีกอะวุ่นวายกับสิ่งที่ไม่มีตัวตนสิ่งที่ผ่านมาผ่านไปนี่แหละคืออนัตตาอนัตตานี่แค่ว่าอยู่ชั่วคราวเฉยเฉยไม่ได้ตลอดไปแต่ว่าภพชาติของเราขราวเนี้ยมันเป็นมนุษย์อ่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่เป็นมนุษย์แล้วมาเกิดในชมพูทวีปเนี่ยเป็นผู้ที่เกิดมาเพื่อที่จะปฏิบัติ ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าคือประพฤติพรมมาจันท์มันมีความเหมาะสมมากอันนี้พระพเจ้ารับรองเลยนะพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับเทวดาชั้นดาวดึงนั่นบอกว่าเทวดาเนี่ยเขาก็มีดีของเขาเออมีเขาจุดเด่นของเขาก็คืออายุยืนและก็มีวันณนะผิวพรรณวันณะสวยงาม แล้วก็มีความสุขเพราะเข้าไปเสวยผลบุญของเขาแต่สุดท้ายก็ต้องตายเหมือนกันอายุจากัดเหมือนกันนะมันไม่ได้มีอะไรเลยนะแค่ไปเสวยผลบุญเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวก็ตายไปแล้วตายไปก็ตกนรกด้วยเทวดาส่วนใหญ่ตายแล้วก็ตกนรกทีนี้มนุษย์ก็มีข้อเด็ดกว่าเทวดาตรงที่มีร่างกายแข็งแรงทำให้จิตใจกล้าหาญ เจ็บปวดเล็กๆน้อยๆไม่หวั่นไหวนั่งกายทนทานทําให้จิตใจเข้มแข็งจิตใจกล้าหาญความสุขความทุกข์เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยปัญหาผ่านเข้ามาอยู่เรื่อยทําให้มนุษย์จะต้องมีสติดีมีปัญญาคอยแก้ไขจิตตัวเองเนี่ยมนุษย์นี่เห็นทุกง่ายเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายมากแล้วก็ เป็นผู้ที่เกิดมาเพื่อจะประพฤติพรหมาจรรย์เพราะว่ามันเป็นดินแดนที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาพระยองจะมาตัดสู้ในชมพูทวีปในโลกเหล่านี้บางคนก็คิดว่าชมพูทวีปหมายถึงประเทศอินเดียความเข้าใจส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าพูดถึงชมพูทวีปหมายถึงโลกที่เราอยู่นี้โดยเฉพาะผู้ที่หมดกิเลสแล้ว ยั ง, งทรงธาตุขันยังสามารถเอาธรรมะมาบอกมาสอนได้มาถ่ายทอดได้มันไม่เหมือนภูมิของเทวดานะใครบรรลุเป็นบาลานปับ๊บมันจะดับไปเลยบุ๊บเลยมนุษย์เนี่ยบรรลุธรรมแล้วกิเลสตายแล้วนิพพานแล้วร่างกายยังอยู่ก็เลยสามารถเอาข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้า มาแนะนํามาสอนต่อได้นี่ยข้อดีของความเป็นมนุษย์เราก็ต้องมาเอาจุดเด่นเรามาทำให้มันเกิดประโยชน์แก่ตัวเองชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราเสียเวลากับเรื่องอื่นมากเสียจแล้วก็ไม่ได้อะไรอะ่ะเหมือนจะได้แต่ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ยังเสียอีกเสียตรงไหนตรงจิตเราเองอะ่ะมันทุกข์ มันเดือดร้อนแต่ทางของพระเจ้าสงบเยือกเย็นออกจากทุกข์ได้แต่เราต้องรักษาจิตเราไว้ก่อนเมื่อรักษาจิตแล้วจิตเราอยู่กับตัวเองแล้วจิตมันจึงจะมีโอกาสเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดแล้วดับสิ่งทั้งหลายผ่านมาแล้วผ่านไป แต่ก่อนเราไม่ได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเราก็เลยไม่รู้ความจริงเหล่านี้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ให้ตั้งใจปฏิบัติดูตัวเองส่วนใหญ่เนี่ยขาดกำลังจิตไม่ค่อยตั้งมัน่นพอจิตไม่ตั้งมั่นมันก็ไม่รู้ไม่เห็นอะไรมันไม่ตั้งมั่นเพราะอะไรเพราะมันมีนิวรณ์แทรกเข้ามาบางทีก็คิดปรุงแต่ง อยากเอานู่นเอานี่เขาเรียกการมมาชันธานีบอลบางทีก็โกรธเคืองพยาบาทจิตมันก็เป็นสมาธิไม่ได้พอไม่มีอะไรก็หลับว่วงซึมรับประทานมากอาหารทับทาดขันที่เกียบด้วยจิตก็เลยไม่มีกำลังว่วงซึมง่าย ง่วงซึมแล้วก็อยากนอนคิดว่านอนแล้วจะดียิ่งนอนยิ่งซึมมันไม่ได้ต้องฝึกจิตให้มีกำลังต่อสู้อดทนเนี่ยจิตที่จะเข้มแข็งเวลาง่วงซึมมันจะชวนให้นอนเหมือนกับว่าถ้านอนแล้วมันจะดีตื่นขึ้นมาเสียสดชื่นแต่พอไปนอนพับมันกล่อมเลยมันกล่อมให้นอนอยู่เรื่อยเลย ไม่งั้นก็ฟงซ่านอุทจจักกุตจัก็ต้องน้อมจิตไปทางสงบสิอุบายใดทําให้จิตเราสงบเราก็ทําแทนที่จปล่อยออนึกถึงสถานที่ที่เราไปแล้วใจสงบเยือกเย็นนึกถึงกิจกรรมที่เราทําแล้วจิตใจสงบเยือกเย็นหรือไม่เงสวดมนต์บริกรรม ใอ้สติมันคุมจิตเอาไว้มันก็สงบได้นึกถึงผู้ที่มีความสงบเยือกเย็นเช่นพระพุทธเจ้าอย่าไปกังวลกับไอ้ความฟุ้งสานไอ้ความคิดแค่ทำสบายสบายทำสบายสบายนี่แหละเดี๋ยวมันก็ดับของมันเองเพราะว่าความจริงมันไม่ได้มีอะไร ที่มันคิดว่าจิตเราไปเกาะจิตเราไปยึดไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปลังไปดึงไปฉุดไปหลากไปดึงมันเข้ามากุ่มลุมจิตตัวเองมาบีบขันจิตตัวเองจิตมันก็ทนไม่ไหวมันก็ไหลออกไปปุุงแต่งขึ้นมาคราวนี้หยุดหยุดดู ดูแบบปล่อยๆมีสติคมเฉยๆหรือวเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนอุบายควรบริกรรมบริกรรมหรือดูเฉยๆถ้าจะคิดก็คิดด้วยเราสงบคิดถึงสถานที่ที่เราเคยไปแล้วมันสงบคิดถึงความสงบ ว่าใจเราสงบเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจิตเราก็น้อมไปในทางสงบพลังเลสงสยัยบางคนก็เอ้เราปฏิบัติมันนานไม่ค่อยได้ผลน่มีวิธีไหนนะที่มันรัดสั้นที่ง่ายๆได้ผลเร็วๆเนี่ ย, ยมันก็สงสัยไปที่จริงตัวเองอาขาดความเพียร ขาดความเพียรขาดความพยายามมันไม่ได้เกี่ยวกับวิธีหรอกวิธีน่ะขอให้เป็นวิธีของพระพุทธเจ้าตรงกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามันก็ใช้ได้แล้วแต่ที่มันยังไม่ได้ผลเพราะว่าความเพียรเราน้อยแล้วเราก็มีความขี้เกียจขี้ค้านไม่จริงไม่จังด้วยมันไม่เหมือนพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าที่มีแต่ความมุ่งมั่นบักบัน เอาต่อไปนี้จะให้ปฏิบัติตามลำพังเอานี้จะลองสำรวจดูละลูกพระพุทธเจ้ามานั่งแล้วเป็นยังไงสมมติว่าพเจ้ามาที่นี่มองดูที่บ้านไทยกำลังปฏิบัติธรรมเป็นยังไงกันบ้างนะถ้าเห็นสับประรดนุ่ากนู่มมากหมูพวกพระพุทธเจ้า ท่านบอกโอ้โหสาวกเราเป็นอย่างนี้กันแล้วเหรอเนี่ยนึกว่ามาปฏิบัติธรรมที่ไหนได้มาสัตว ง, งกแขนกันว่ะ <laughs> เออนั่งต่างคนต่างนั่งพ อ, องค์ต้องพอพระไทยออสาวกเราต้องอย่างนี้สิตั้งใจปฏิบัติอย่างเงี้ยดีมากๆเลย เ, เตรียมตัวนะเตรียมตัวทำจิตให้มันตื่นอยู่ข้างในนะตื่นแล้วก็สังเกตสังเกตว่าตอนนี้จิตเราอยู่ยังไงเรากําลังทำอะไรข้างในเราเนี่ยกำลังทำอะไรตัวจิตนะมันทาอะไรมันดูอะไรดูแล้วมันรู้สึกยังไง เนี่ยเข้ามาจับอยู่ภายในทีนี้ไม่ให้มันเพลินออกไปข้างนอกให้มันจอเข้ามาข้างในเอาคราวนี้ดูนะสุดท้ายละลองบูชาพระพุทธเจ้าดูจะเอาอะไรบูชาพระพุทธเจ้าล่ะปฏิบัติบูบบชา ปฏิบัติบูชาก็คือไม่เอาอะไรเลยวางหมดเลยปล่อยหมดลมหายใจก็แก่หายใจเข้าออกของมันเองหัวใจเต้นทุบตับทุบๆัมันก็ทำงานเองปอดมันฟอกโลหิตทำให้โลหิต ด, ดำเป็นโลหิตแดงมันก็ทำของมันเองไม่ใช่เราไปทำมันทำของมันเองด้วย มันก็ทําหน้าที่ของมันน้ําดีก็ทําหน้าที่ของมันแล้วก็มองมองดูธรรมชาติที่ประกอบกันเป็นกายเป็นจิตใจก็มีแค่รูปธรรมนามธรรมาถ้าจิตของเรามันมีกําลังมันจะแยกแยกจิตออกจากกายได้ แยกจิตออกจากเวทนาได้แยกจิตออกจากจิตที่นึกคิดปรุงแต่งนั้นได้แยกจิตออกปรากฏการที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดได้เป็นผู้ดูอยู่เฉยๆเหมือนมองดูอยู่เฉยๆดูอยู่เฉยๆแต่ถ้าเรายังแยกไม่ได้แสดงว่ากำลังเรายังไม่พอกำลังจิตไม่พอแยกออกจากเวทนาไม่ได้ เป็นฉันเป็นเราอยู่ตลอดวันนี้ก็พอแค่นี้นะ